อยูี่เหรออยู่อยู่หลังไหนเลยอตอนนี้อยู่กับคุณจยกค่ ะ, ะจยกันนี้กได้ค่ะ <จบ S 2> มาตั้ง แ, แต่วันที่20แล้วจ้ะค่ ะ, ะกลับอันนี้เป็นไงดีนะ้ง่านายเป็นกิเลสค่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็โผลขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็โผล่ขึ้นม า, นน ก, นมาก็ดีมันโผล่ตล้เวลาแต่ไม่เห็นไงหนงเห็นก็แสดงว่าจะได้จะไกำจัดมันได้ที่มันไม่เห็นมันก็เลยไม่รู้วมันมี ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เห็นเพราะเวลามันโผลขึ้นมาก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นเกลรดเพราะไอ้ความโกรธเวลามันโผลขึ้นมาก็รู้วิธีแก้ความโลกมันโกรขึ้นมาก็รู้วิธีแก้แต่ไอ้ความหลงเวลามันผล่ขึ้นมาแล้วหลงก็มันแก้ยากเหมือนกันนะมันหลงอะไรนะมันความรักความค่าอย่างเนี้ค่ะแก็ก็ชาสุภา คมันคิดไม่คอยออกเพราะว่ามันจะมาในความฝันอในความฝันก็ไม่เป็นไรไปวันช่นนี้ก็ได้ความฝันมันเป็เมอย่างเป็ น, เ ป, นเป็นสัญญาณบวงบอกว่ายังมีปัญหาอยู่เวลาตื่นขึ้นมาก็ต้อพิจารณาสุภาษณ์เชนน้นเป็นเรื่ออสุภะษณ์ก็ กจาค่ะแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูอาการสามจุดสองดซากศพแต่เวลาตอนนี้มันเวลากัจจนาสภาพมันจะขึ้นมาบนกระโหลกหัวเลยค่ะมันจะเห็นส่วนส่วนสวนี้ส่วนกระโหลกหัวหน้าค่ะในภาพนี้ถ้าดูส่วนอนไ้เลยยังกายมีอาการสามดสองดูไปหมดทุกส่วนหมดเลย ดูลำใส่ดูกระเพาะดูตับดูไตดูปอดดูหัวใจดูน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ดีน้ำสเสลอมจจลระปัสสาวะเวลามันเกิดพิบัติขึ้นมาแล้วไมมีฟ้าเทศหลวงพอ่อครับมดูพิธีแก้ แก่อนยัไม่รู้วแกกันแน่แต่พอไปที่หลวงนนพอ่อแล้ว้เองนิดต้องพิจารณาสุภะพิจารณาตายรักอนนี้จังไม่เที่ยงทุกอย่างมีเกิดมีดับทุก อ, อย่างเราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ถ้าไป อ, อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทุกข์เราปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะดับก็ให้มันดับทุกเวธนาจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปคึกเวทนาไม่ได้สักปีก็สาก็ยาวมากก็นั่งได้แค่หชั่วโมงไม่ไม่กวหนึ่งชั่วโมงแค่นี้ประมาณนี้รงานั้นก็ึกไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเวลาเกิดก็พูดโทไปก่อนก็ได้ บริกรรมให้มันทีอย่าไปคิดถึงความเจิบนี่สวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ก็ได้สวไดสวไปในใจไม่ต้องออกเสียงสวดเร็วๆหน่อยก็ได้ถ้ามันสวดช้าแล้วมันยังเจ็บได้อิติปิโสหังสัมมาทาคาโตสุปะติมโนภากวาโตอันติติโปอักานิโป เวลาต้องกายมันมีอาการโยกเยกไปมาอย่างเงี้ยก็ช่างมันใช่ไหมจังหก็หยุดไม่ได้ตอนนี้ไเห็นโยกออมันจะเป็นช่วงพักๆที่มันชนกับเวทนามากๆอะค่ะมันโยกของมันสักพักหนึ่งมันก็จะหยุดของมันโยกแล้วก็หยุดมันทีเรามีสติแล้วก็หยุดนั่นนามันโยกทำไมันโยกเพราะมันมันอยากจะคลายความเจ็บนั่งอ๋อทราบดีค่ะ โยกนะไม่ทำใไปโยกมันถ้ามันอยู่เฉยแล้วก็พยายามมันเจ็บมันไม่ได้เจ็บที่ร่างกายมันเจ็บที่ใจใจต้องโยกร่างกายเพื่อให้ความเจ็บมันน้อยลงแต่ความเจ็บส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากให้ความเจ็บหายไปต้องอยากก็อยากให้มันหายมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะมีก็มีไป ต้องไปยุ่งกับมันพุโธพุโทโธไปอาลังสัมมาไปพุทโธธรรมโอสังโกอันนี้นจังทุกขังวาน้องจาท่องอะไรไปก็ได้เรื่อยๆ อ, อ, อยา่าให้ใจมันไ ป, ไปิดถึงความเจ็บอีกสัปดาห์ไปเรียนเาที่มันปวดมากๆที่จะเอาให้มันได้ก็คือ ท่องมันยางจะไปเงว่าไปเรงว่าไปเงว่าอต้องเที่ยวอท่องอะไรก็ได้อนี้จังไปก็ได้อนี้จังอนี้จังอนจังไปพุดโธเลยเอาน้าตาสั่งมันไม่ได้ข้ามันไมได้มันจะเปเงเป็นไปมันจะเจ็บก็ไปมันเจ็บไปนี้ใจมันก็เข้าใจมันก็ปล่อยอันนี้ใจมันยังไปอยากให้มันหายมันก็เลยทุกข์ขึ้นมา ถ้าปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์แล้วความเจ็ดมันจะไม่หนักหนาสาหาัสความเจ็ดก็เท่าเดิมแต่มันไม่มันไม่ทุกข์ทรมานใจเพราใจเราไม่ได้ตระยากให้มันหายใจเราอยู่ก็มันได้จะอยู่ก็อยู่เหมือนคนที่เราเกลียดเขาจะมาอยู่กับเราก็ปล่อยก็อยู่ไปถ้าเราทำใจให้เขาอยู่เมตตาเข า, าจะอยู่ก็อยู่ไป อยากให้เขาไปอยากให้เขาไปแล้วใจเราก็จะเครียดไปขึ้นมาส่งมีรขึ้นมาอวตุ้มาดู้ต้มไม่ได้เอารถมาที่นี่ที่รนเนยหนูไม่ได้ขับรถของคุณเขาไม่ได้เขากตีไม่มีรถเลยมีก็ให้น้องชายไครับขับไี่เป็นมีเท่าไหร่ป่ะก เ็มนะึงนะนะพ่อเดียวแต จ, จะถามว่างพ่อมันจิตกับใจเนี่ยคือ น, นั้นเดียวมั้ยครับมันอยู่ที่เดียวกันน่อยู่เดียวกันสองชื่อคนคนเดียวมีสองชื่อชื่อเื่นกับชื่อจริงจิตเป็นตัวคิดใจเป็นตัวรู้อยู่ด้ยวยกันไงเป่นไงแล้วก็พูดบางทีก็ใช้ใช้แทนกันได้ ถ้าจะถ้าจะให้มันละเอียดจริงๆก็าจิตก็คือตัวคิดความคิดสองตัวนามขันเวทนาสัญญาสังขารนึอย่างนี้คือตัวจิตส่วนตัวรู้นี่ก็คือตัวใจหรือว่าสังขารปิคิดปุงแต่ไทยรู้ก็ตัวใจรู้รือว่ากำลังคิดไปทางกิเลสรือว่ากำลังคิดไปทางปัญญานี่นี่คือตัวใจตัว้แต่ตัวคิดก็คือตัวจิต มันก็ตัวเดียวกันเนะี่ยมันไม่ได้แยกกันสองคนสนะองตัวหรอกแต่ว่ามันแยกหน้าที่กันตัวใจใจก็ตัวตัวรู้ก็คือทําผู้ที่ทําหน้าที่รู้ก็คือใจผู้ที่ทําหน้าที่ที่ก็คือตัจิตมีบางทีแล้วก็พูดผัดสลับกันไปบางทีก็จิตบ้างใจบ้างไม่เป็นไรไม่ใช่ร่างกายก็แล้วกันให้รู้ว่าตัวจิตตัวใจนี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงอาการสารตสองทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายไม่คิดไม่รู้มนตายไปลงไปเอาขินเอาเทมเอาไปเผาไฟมันก็ไม่ได้ร้องมันก็ไม่ได้ดิน้นที่ดิ้นก็คือตัวจิตตัวใจแต่มันพอใจไม่ไ ม, ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มีอยู่กับร่างกายแล้วร่างกายมันก็ไม่ดิน้น ไดูลงพ่อคุณนะไปแช่ ย, ยังไงหวงพ่อคุณท่านก็ไม่ดิน้นนไปดองไว้ในน้าดองนะแล้วตัวหลวงพ่อคุณไปไหนไปแล้วใจของเราคุณไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทิ้งร่างแนะ้วละละสังขารนะีละร่างกายกายเป็นคู้มาครอบครองทางคานของหลวงพ่คุณทีนี้ใจก็ไม่ได้อยู่ในสังคานหลวงป่อคุณไม่อยู่แล้วอยู่ก็เป็นถูกดองได้ที่ไห เมือกี้ก็ด่ากันดองกูตอนนี้ขอไปดองไเลยดองไปดองไม่เลยแค่เก็บเป็นแจกแจงแล้วเป็นเรืเองก็คงคนั่งพิจาาดูว่าคายในจำพอทีจได้าวันนาเราเป็นรูปเป็นเหว่าพวกัรานึกในว่าติดใจมัน ว่าเราไม่มองเป็นเนื้อรูปเลยเนี่ยตั ว, ตวคิดเนี่ยตัวที่กําลังพูดสัง่งให้ร่างกายพูดเนี่คือตัวจิตร่างกายมันพูดเองไม่ได้หรอกนะคุณไม่คิดคุณจะพูดได้ไหมก่อนคุณจะพูดคนต้องคิดก่อนเนี่ยจะพูดอะไรก่อนจะมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนนี่ยตัวคิดเนี่ยตัวคิดเป็นตัวสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายก็เป็นตัวรับใช้แต่เราจะเราจะเข้าใจผิดกับคําว่าสังขารสังขารในภาษาพหุนี้หมายถึงความตัวคิดความคิดแต่สังขารในทางของโลกทางโล ก, กเขเรียก็ร่างกายก็เลยเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องสังขารร่างกายสังขารความคิดตรงแข่ง สังขารที่แท้จริงคือสังขารความคิดปรุงแต่งตัวที่สั่งให้สังให้ร่างกายทํานู่นทนํานี่มานู่นมานี่ไปนู่นมานี่ตัวนี้เป็นตัวสังขารความคิดปรุงแต่งทำไมวันนี้คิดมาที่จะมาที่นี่หรอือเปล่าตัวคิดไม่ใช่ตัวร่างกายนะตัวจิตตัวรู้ว่าคิดก็คืตัวใจ รู้ว่าตัวเองกับคิดว่าวันนี้จะมาวัดตัวรู้รู้ตัวจิตตัวคิดตัวจิตเป็นตัวสั่งให้ตัวรู้สั่งลากตัวร่างกายมาอีกทีปัญหาไม่ใช่อยู่ที่จะรู้ตัวจิตตัวอะไรปัญหาให้รู้ว่าตัวร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายนี้หนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมนี่สุดจะไปเหมือนของพ่อคุณ อย่าไปยึดเดี่ยวไปติดมันปล่อยวางมันมันไม่ใช่ตัวเราของเราเหมืเป็นรถยนต์นหนึ่งเราเป็นคนขับรถตั้งจะพังก็ปล่อยมันพังไปคนขับก็ไม่ได้พังไปกับรถคนขับก็ไปหารถใหม่ถ้ายังอยากจะขับรถอยู่ก็ไปหารถใหม่ถ้าอย่างอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะกินอยากจะเดิมก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ ถ้า e, ไม่อยากเลยไม่อยากกินไม่อยากดูไม่อยากฟังแล้วก็ไม mm ่ต hmm. ้องมีร่างกายหมดีแล้วมันทุกข์ไม่มีจะสบายกว่าไม่มีแล้วสบายไม่ต้องมาดูแลร่างกายวันวันอย่างนี้ต้องคอยดูแลเรื่องร่างกายตลอดเวลาต้องหายใจตลอดเวลาต้องดื่มน้าตลอดเวลาต้องกินข้าวตลอดเวลามันมีแต่เรื่องต้องคอยดูแลรักษา ถ้ามีร่างกายแล้วก็เป็นภาระไม่มีร่างกายก็สบายเหมือนคนไม่มีรถคนไม่มีรถกับคนมีรถใครสบายกว่ากันคนมีรถก็ต้องคอยดูแลคอยเติมน้ำมันคอยล้างรถคอยเช็ดรถหาที่จอดรถให้มันอจ่ายค่าประกันประเบรกเสียภาษีนั่นเองคนไม่มีรถก็ไม่ไม่ต้องมีปัญหากัน แต่เดวว่าไปไหนมาไหนไม่ได้ใช่ไหมคนถ้าไม่อยากไปไหนมาไหนก็ไม่รู้จะมีรถไปทําไมยมาอยู่วัดนี่มีรถไปทําไมมีรถมันก็จอดทิ้งไม่เฉยจริงแต่ก็มาอยู่วัดนี่มันเห็นความแตกต่างกันระหว่างอยู่บ้านกับอยู่วัดต่างกันมากเลยอยู่วัดกินข้าวมันอเดียวก็อิ่มภาวนาเดินจะงรือดูแต่ใจเลยอยู่บ้านเนี่ยอ๋อสารพัดฟุ่งเฟือ พ่อว่าไม่มีอะไรจะพูดเอยไม่มีแก่ต้องเป็นพิธีกรต้องสอนพ่อครับตอนที่ถวดโมนแล้วก็เตี้ยเข้าสมาธิครับหลวอบางครั้งเนี่ยมันจะเข้ายากแต่พอเข้าไปแล้วจะนั่งจะอยู่ในในในสมาธิได้ไม่นานเนี่ยมเกิดจากเมืไหรก็นหลวอเกิด จ, จากยเรนมันดันออกมา่ย การมัฉันทะมันดนออกมามันยัอยากจะไปหาลูกเสียงกลิ่นต่ออยู่เหมือนจับคนกดน้ําลยผกดน้ํามันก็จะดิ้นขึ้นมาหาลมหายใจจิตก็เหมือนกันจับมันกดน้ำจดกดมันในสมาธิมันก็จะเด้งออกมาหาหาลูกเสียงกลิ่นแล้วไม่ต้องเอาตัวตัวกดนี้ต้องมีกําลังเยอะๆสร้างสติให้มันกําลังเยอะๆแล้วก็กดมันไว้ได้นาน ที่มันอยู่ไม่ได้นานก็ว่าสติมันอ่อนกําลังมันน้อยต้องฝึกสติให้มากมากฝึกทั้งวันเลยควบคุมใจตั้งแต่ตืนขึ้นมาเลยอย่าปล่อยมันคิดเลื่อยเปลื่อยหยุดความคิดใช้พุโทโธหยุดมันลองพุโทโธไปทั้งวันเล ย, เลยแล้วต่อไปนั่งสมาธิมันจะนั่งได้นานมันจะสงบได้นานตื่ขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธไป น, آن, น, น, นาน้ำงหน้าแอนฟันกินข้าวแต่น้แต่งตัวเดินทางไปทำงานกับพุทโธพุทโธไปตลอดทางลกลับมาบ้านกับพุทโธพุทโธรนั่งสมาธินั่งได้นานเยเพราะมันมีตัวตัวตัวคุมใจตัวคุมความคิดเลยถ้าปล่อยมันคิดเรือกเก่อยไปเขาจะมานั่งแล้วจะหยุดมันได้เลยปกติก็บเพราะผมมาอ่านหนังสือแล้วก็ฟัง ของของหงพ่อสุชาติหมนก่นลก็ไปไปทำในส่วนที่ว่าสุตัวระยะหลังก็แต่เหี่เมื่อมีมีจิตทุกวัน้ลยก็แต่ละวันก็ภาวนาได้ได้ไม่ตลอดอะแต่ช่วงช่วงนี้คเราก็สกะหายปสุทัวแต่เยอยากจะได้ผลเยอะๆก็น้องมาอยู่วัดเลยทำงานคนที่เขาได้ผลเงินส่วนใหญ่เป็นนักบวชตั้งแต่กาลวาจะไปได้เลย สารวาัตรมัวแต่จะหาเงินหาเงินหาทองหาลูกหาเมียหาผัวมันก็จะมีเวลามาพุดโทได้ไงจะเอาทั้งสองอย่างได้ไงเงินก็จะเอาลูกเมียก็จะเอาอสมาธ่ก็จะเอามันเอาไม่ได้หรอกมันคนละมันคนละทางกันถ้าอยากถ้าอยากเจ้าสมาธิก็ต้องไม่เอาลูกเอาเมียเอาผัวเงินหนอทอง เาสองอย่างก็แบบเยียบเรือสองแคมเดี๋ยวว่าขาฉีกเดี๋ยวเดี๋ยวเรือมันแากไปทางลูกเมย์ก็อย่าดึงไปทางสมาธิก็อย่าดึงไปทางนี่ไปทางไหนดีแต่เวลาพี่เสียด้น้องต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งถ้าเข้าสู่ขั้นปฏิบัติแล้วมันต้องเลือกและ ว, ว่าจะเอาไปทางไหน ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแค่ทำบุญรักษาศีลยังไปได้ยังมีลูกมีเมียนด้มีผัวได้ไปเที่ยวได้ถ้าจะปฏิบัตินะี่ยทีนี้ก็ต้องหยุดแล้วเรื่องลูกนงเมียเรื่องผัวเรื่องเที่ยว เ, เยวนี่ต้องหยุดเพราะมันเอาเวลามาแย่งกันเวลาไม่มีแค่เนี้ยคุณจะทำอะไระ่ะคุณจะนั่งสมาธิแล้วคุณจะไปดูหนังกับลูกกับเมีย อาจายนะที่พักคารว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลมากมายก็เพราะอย่างนี้เพราไม่ได้ปฏิบัตินั่งนั่งวันละสิบนาทียี่สิบนาทีก็จะให้ได้จิตรวมไปน็นอัปราณาได้พระก็นั่งกันทั้งวันทั้งคืนยังไม่ค่อยยอมลงเลยถาม่านที่อยู่บนเขานี่จิตรว ม, ม, ม, ม, ม, มือนบ้างหรืไม่ หลวอาจารย์ค่ะหลวงครับตอนที่สวดมนต์นะครับพ่อเราบวชมนต์ทุกบทแล้วก็ในส่วนจะจะมีพระคาถาทุกบทก่อนแล้วก็เหมือนกันเหมือนเมาไปวัดเหมือนพุทโธน่ะพวกนี้สวดไปก็เหมือนใช้คาพุทโธแบบเดียวกันสวดเพื่อให้หยุดคิดนัเองถ้าไม่สวดเดี๋ยวมันก็นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จับมันมาสวดมนต์ มันเด็กอ่ะถ้าปล่อยมันก็มันจะไปเล่นเกมก็จับมันมาอ่านหนังสือใจเราถ้าไม่บางคับมันมันก็จะคิดด้วยเปล่อยไปถ้าเอามาสวดมนต์มันก็จะมันก็ได้หยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั้งส่วนคาถาต่างๆถ้าไม่เข้าใจความหมายสวดบทไหนมันก็เหมือนกันถ้าเข้าใจความหมายมันก็มีความหมายมันเป็นคําสอนของพระเจ้าเท่านั้นเองพระสวดต่างๆ สูตรธรรมจักมันจะได้เรื่องมรรคแปดอริยสัจส่สวดอย่างสูตรนั้นสูตรนี้มันก็เป็นคาสอนสูดมงคลและสูตรก็จะได้รู้ว่ามงคลสามสิบแปดมีอะไรบ้างสามสิบแปดข้อแต่ถ้าไม่เข้าใจความหมายมันก็เหมือนสวดพุดโทโธไปเลยถ้าไม่เข้าใจความหมายสวดไปก็จะได้ความสงบถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ บางคนมันสวดคาถานี้ดีกว่าคาถาเหมือนกันนมันสวดไปเพื่ออะไรอ่ะมันดีตรงไหนมันไม่ได้สวดให้ร่ําให้รวยให้เป็นมีอิทธิฤทธิปาฏิหารมันสวดให้ใจสงบแต่บางคนก็คิดว่าสวดคาถานี้แล้วป้องกันได้ไหมพูดผีปีศาจไม่มากลัวงูสวดคาถานี้งูไม่มามันก็เชื่อกันไปอย่างนั้นเอง ก็ในส่วนบทที่ว่าแผ่นนาขวดขวดน้ำหรือแผ่เม็ดาก็เหมือนกันแ่ะถ้าไม่เข้าใจาความหมายก็มันก็มันก็นกสวดไปทําไมแปลว่าอะไรมไม่รู้บทสวดน้ํานเขาก็มีแปลความหมายแต่อยากจะรู้ว่าเขาสวดนั้นมีความหมายไหมเขาก็หมายก็ว่าขอบุทิศบุญส่วนนี้ที่ได้ทําในวันนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมันก็ต้องไปดูคําแปลดูมันจะรู้ว่าเรากําลังสวดเรือะไร เหมือนานภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจ You know I love you เนี่ยพูดไปแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายมันก็เหมือนกันแหละอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีก็เหมือนภาษาอังกฤษเราก็ต้องไปดูเปิดเด็กดูแต่คำนี้แปลว่าอะไรนาโมแปลว่าอะไร้ะเป็นชาวพูดตั้งแต่เกิดมานีนคําว่านาโมตัสสั์แล้วเราเรารู้กปล่าเห็นท่องกันมาทุกวันเหรอรู้ไม้มนาโมตัสสัตว์แปลว่าอะไร เราอยัางไม่รู้เลย <laughs> อ่ะจริงจริงส่วนกัไปงั้นอะ่ไม่มีใครรู้ความหมายกันอะถ้าแต่รู้แต่คำว่าตัดสักันที่ไม่รู้ว่ารู้จริงไม่ไม่จริงเลยนะะ ม, มันคิรวาตัักษาตักษ้าอันนี้อยน่ยังยา ก, งากับตักส้าลกอนี้ก็ นะโมัสสะพระกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเน่ยล่าเลยจะมีคำแป้ยิงหมือนับป่าเนพระเหมนพระ เหมือนตามตามเราส่งเของเจ้าเจ้าเนี่ยนะคือว่าเป็นคั้ปฏิบัติที่ประมาณ น, น, นี่มาจากากนะครับแค่ความหมายประมาณนั้นเอประมาณนั้นทำไมไม่เอาันให้มันรู้จริง <c oughs> จริงเลยประา ม, มาณนั้นผ ม, ผ ม, ผมอ่านถึงนั้นมา ก, ก็ยังจำจาบทของนันทั้งหมดเลยศาสนาพุทธของคนไทยนี่มันเป็นเหมือนเปลือกแล้วไม่มีสาระแกนสารเลยไม่มีใครรู้สวดอะไรกันความหมายอะไรไม่ร ส่วนกันทั่วไปหมดงานศพงานในไรสวดกันส่วนไปผักคนความก็คุยกันไปวัต้องหาหาต้องต้องเป็นมีหนังสือแฝด้วยความมันหนังสือแฝดหนังสือ่าแต่ไม่ค่อยมีหนังสือแฝดมาอันนี้แต่คนไม่สนใจกันอันนี้ศาสนาสําหรับคนก็เป็นที่เผาศพที่ทําบุญวันเกิดทําอะไรเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาอะไร ทันจีมศาสนาพวกนี้มันเป็นเหมือนจุฬาเหมือนธรรมศาสตร์เป็นที่เรียนพุทธศาสตร์มีปริญญาตีโทเอกในพุทธศาสตร์แต่มันไม่เรียนกันมันมาถึงก็ขอให้พระอ้าวยาถาสัพพีให้หน่อยอยะถาสัพพีแปลว่าอะไรก็ไม่รู้วายุวันโนสุ ข, ขังความหลังก็สาธุกลับบ้านได้แล้ว อาจารย์เนี่ยศาสนาพูดมันกลายเป็นศาสนาคนตาบอดทุ่หนวงไม่มีใครรู้ว่าอะไรสู้ฝันหลังไม่ได้นะฝันหลังมันอยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลแต่มันอ่านพระไตรปิฎกนนั่นแหละมันศึกษาศึกษาแล้วมันก็รู้ว่าต้องปฏิบัติมันก็เลยข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพราะที่บ้านมันไม่มีที่ปฏิบัติมันไม่มีครูบาอาจารย์ ถึงแม้จะอ่านแต่มันรู้ว่ามันไม่พอมันต้องมีครูบาอาจารย์คนที่เหมือนการเรียนหนังสืออะเรีย น, ยนคนเดียวเรียนมหาลัยอ่านหนังสือคนเดียวกับเ ร, เรียนเดีกาอาจารย์นี่อันไหนจะดีกว่าถ่กไหมอาจารย์ก็จะอธิบายขยายความได้ว่าตรง น, นี้เป็นอะไรคุณเรียนกฎหมายไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวอาจารย์ก็อธิบายได้ เ, เรียนทิศไม่เข้าใจเดี๋ยวอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังได้ แต่คนไทยไม่เอาเลยเนี่ยใช่ไหมน้อยคนพวกที่มาหนังสือหนังสือเนี่ยไปไม่รู้ฟังกันไมรู้ปากันไมฟังกันหรือปากกัน่รู้เห็นหยิบกันไปเนี่ยสีสวยดีนี่แหละพุทธศาสนาเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับ โลกุตะละให้จิตนี้หลุดออกจากการดึงดูดของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นศาสตร์ที่สูงสุดไม่มีศาสตร์ไหนไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะสามารถยกระดับจิตให้ขึ้นเหนือวัฏตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีศาสนาพุทธนี้เท่านั้นศาสนาเดียว มันสูงมากอย่างนถ้าให้คนคนพูดเราสมัยนี้มันไม่มีปัญญาเอื้อมถึงกพูดย่ายๆเท่าไม่ถึงราได้ก็แค่ทานทานไปพอหอมปากหอมคอสีนี่ก็ใช่รักษากันไม่ได้างนี้บ่นว่ารักษาสียากธรรมากินนี่ถ้าไม่โกหก็มันขายไม่ออก ถ้าไปเที่ยวแล้วไม่ได้โกหกเมียเดี๋ยวต้องตีกันต้องทะเลาะกันถ้าสองพ่อก็ทำยังไงนะทุนเจรู้ว่าเออเราผ่านการเป็นพระะดาบันแล้วพระสะาบันจะต้องเป็นยังไงอะไรยงเ้ยก็ดูตำราเดี๋ยวตำราเขาว่าเป็นยังไง<ม>นะพอแปะเสกษาดูเดี๋ยวไปค้นค้าดูเนดะี๋ยวพอถวดาบันท่านมีคุณสมบัติอย่างไรคนจะเป็น คุณจะเป็นแม่ชีคนต้องมีสมบัติอะไระใช่ไหมคุณมาอยู่วัดยา น, นี่คุณต้องมีสมบัติอะไรบ้างอะมันก็มีคุณสมบัติคุณก็ไปทําตามนั้นเด็กทําได้ป่ะเพระโสดาบันก็ไม่กลัวตายคุณยังกลัวตายอยู่ป่ะกลัวอ่ะบล้าไม่กลัวเจ็บอ่ะคุณยังกลัวอยู่ป่ า, า อ, อโสดาบัน ศาสดาบันเชื่อกรรมอย่างเดียวไม่เชื่อหมอดูไม่เชื่อ อ, อ, อะไรทั้งนั้นใครจะว่าชีวิตซวยต้องไปสะดเขาไม่ไปนะ่ะเชื่อว่าซวยเพราะทำกรรมมาไม่ดีมันถึงเวลามันก็เลยส่งผลเชื่อแค่นี้เชื่อว่ า, าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไม่สงสัยรู้อยู่แก่รู้อยู่ในใจรู้ว่า อริยสัจสิ่งนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้ก็สแสดงว่าเอเราก็ต้องรู้วา่าพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริงเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนถ้ารู้ทรรมก็จะรู้พระพุทธเจ้าผู้ที่รู้พระทัศพระพุทธเจ้ารู้ทรรมก็คือพระสงฆ์คือพระสงฆ์ดามันรู้กรรโสดามันรู้กรรม ธรรมดารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของหรู้ว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเลยกลัวมันหนึ่งกลัวแล้วมันทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปกลัว้ายใจัง <c oughs> เดี๋ยวก็เลนะืนใช่ไหมแค่แค่พัดนมเพื่อบอกว่า ไม่ปวดเจ็บนียก็เอาละยห่างไกลยังปวดกูยังไม่ปวดตายก็โอ้ยังห่างไกลปวดตายไหคนนั้นเขามาแล้วนะคนที่เราถามถึงเนี่ยเขาโทรหายงมื่มวาแล้วจ้ะเขาชวนมากราบหลวงปู่โบเกะอ๋อคอนเสืร์ท่านเมื่านี้ใช่ไหมมีปดเขาจัดงานสามสิบสองเกตเยแบว่า้งแต่ตรงไทจะเข้าถึงยาก ไปกราบเชียงใหม่ตรงแตยจะง่ายกว่าเยอะยังยังไปกราบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงพระจานยน่ ะ, ะไปกราบทำไมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราไ่หาใครที่ไหน <laughs> มันไปหาอะไรลนะ่ะไปหางานกันช่าหมเกไว้ก่อนไปหาลูกเสียงกลิ่นรถน่ะขอเก็บบุญไว้ก่อนเผื่อต้องมาเกิดอีก ว่าขอแค่เจ็ดชาติก็ยังไม่หึงข อ, อไม่ได้ละขอต้องทำไม่รู้จะนั่นได้ถึ ง, <า>งหรือเปล่ า, าต้องตัดการมาฉัน ท, ทาใจให้เป็นชาญก่อนทำใจให้สงบก่อนเห็นเขาบอกเขาจะไปอยู่กับหลวงปู่ชัยใช่ใช่ก็บอกที่นั่นท่านอนุญาตให้อยู่ได้านาน แต่วัดท่านยมเขาว่าเงียบดีก็ดีแหละ ว, วัดเพราะฉะนั้นหลวงตาเป็นคนรับไม่ฆ่าเป็นใครเป็นคนถวายท่านจ้างนั่นหลวงตาท่านให้พระจังพ่อไทยไปอยู่เป็นวัดของหลวงตาญาติโยมถวายให้กับหลวงตาก็ตอนแรกยมนึกว่าหลวงปู่ไทยเป็นลูกศิษย์หลวงตาไป อ, อ่านก็มาบนั่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟ้านก็เหมือนกันแหละสายเดียวกัน เป็นลูกหลวงปู่มั่นก็เป็นเิษของหลวงปู่มั่นหลวงตาก็เป็นเศษหลวงปู่มั่นหลวงตาก็เขาลูบหลวงปู่มั่นเหมือนเพ่อเหมือนพี่นพี่ก็อยูอ่ในแนวเดียวกันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันจุลาก็จุลาเหมือนกันไม่ <c oughs> ใช่เป็นธรรมศาสตร์ไม่ใช่เป็นรามกำแพงแหวะถ้า ง, งั้นเศษหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันหมดนะคะก็เหมือนถ้าเป็นนกเศษหลวงปู่มั่นจริงๆเหมือนกันหมดหลวงปู่ขาเนี่ย หลวงปู่ฟั้านใช้เดียวกันหลวงปู่ชอบหลวงปู่คมหลวงปู่อะไรหลายรูปไม่ชือ่อท่านไม่ออกนี่เขาเหมือนกันหมดทุก อ, องเพราะหลวงปู่บ้านเป็นคนปั้นขึ้นมานะปฏิบัติเหมือนกันหมดทุกองเขคาวัดมีอะไรเสริญสมาธิปัญญาเหมือนกันหมดบ้านคนนั้นจะอยู่วัดถีวันใช่มบ้านไหน ที่ว่าเห็นโน่นเห็นนี่ที่ว่าลูกศิลป์ลูกฝันไม่รู้แกแกก็เป็นคนพูดแกก็อาจจะเห็นแตจะได้แกนะคะอแกคงแบบไม่มีครูบาอาจารย์แล้วแกก็เลยไม่ได้นั่งต่อก็แกไม่ไม่สนใจปฏิบัติเองสิครูบาอาจารย์รุ่นนั้นแล้วแกก็คงไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแกยังมีกรรมอยู่มั้ง พวกเสียได้ยังติดทางโลกอยู่แต่เห็นอะไรก็ไม่สำคัญขอให้เห็นกิเลสเท่านั้นเห็นยากที่สุดเลยเห็นยากที่สุดเลยค่ะเห็นอย่างอื่ก็ไม่มีประโยชน์นะเหมือนหมอน่ะเห็นนะไนก็ไม่สนใจขอให้เห็นเชื้อโลกที่มันมาทำให้คนไข้ไม่สบายเห็นตอนนี้้วจะได้แก้ปัญหาได้ อตัวก่อเห็นไม่เจอตัวก่อเห็นไม่เจอแล้วไปเห็นอะไรก็ถูกมันหลอกให้ดีใจคิดว่าเห็นหนู่นเห็นนี่เห็นเทวดาเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่เห็นไปมันก็ไม่ ม, ม, ม, มีมันก็ไม่มาฆ่ากิเลสได้มันต้องเห็นกิเลสเห็นนอกใจเห็นนอกใจอาหมอมาพอดีอ น, นี่มาสุดท้ายแล้วมั้งนี่เอาละคะ่ะจะไปบวชแล้ว ไปตกลงได้วันไหนคะอเขาต้องไปหาอาจารย์ก็อยู่ที่แพร่ก่อนแม่ชีแม่ชีที่ก็รับถือก่นอยู่ที่จังหวัดแพร่จะไปบวชกันแม่ชีก่อนเสร็จแล้วก็แล้วแต่แม่ชีจะสั่งแต่ว่จุดทางเี่วันนี้ออกเดินทางนะจะออกกี่โมงไง ตีห้าครึ่งค่ะขับรถไปแท้ค่ะแม่ค่ะคือเช่ารถตู้แต่เดี๋ยวออกจากนี่ก็จะขนข้าวของออกากสักกันทีมีเลี้ยงสองที่ลรงพยบาบาลหรอเขาเขาเลี้ยงเขาไล่ตั้งแต่วันพุธแล้วค่ะ <c oughs> ยังไงก็ต้องเลี้ยงไล่บ <c oughs> อวกว่าโหจัดงานใหญ่่ขนาด น, นี้ถ้าถัากกลับมาก็น่าด้านเวลาออกกน็นา่น <c oughs> จเราขนาดนี้นี่คือยังอยู่ต่อนี่อายเขาพวงอะไลสิบห้าพวงเทียวมาให้เรานี่แหละคะเอาของใช้เรามาให้เราเนี่ยสวยเกลืเพื่อจานใจดีมาให้เพราะมันจะไปทิ้งไม่ให้ไหนมันสวยเกลืเพื่อจานพวงอะไรมาลีมันหอมเลยเจ้าค่ะ เขาเลี้ยงที่ไหนที่โรงพยาบาลเนี่ยเด้อเขาเลี้ยงที่สโมสรสโมสรตรงของทารนาเตยงมีคนไปเยอะเหรอเยอะก็ประมาณยี่สิบกว่าคนได้คนใกล้ชิดเลย่ะคนในเชใกล้ชิดอร่ ไม่รู้ว่าหนูทําอะไรติดใจเขาหรือเขาติดใจเขาบอกมาขอขมาก่อะฉันยัไม่รู้แบบมันรู้แล้วแบบจะได้ไม่ท้องไปตามขอขมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันด่าไปและฉันก็จบแต่เป็นติดใจใครก็ไม่รู้แ้วเผื่มันรู้แล้วไงต้องตามหาตัวคนรักเราก็มีเกียรติเราก็เยอะค่ะ ไม่เสียดายไม่อะไรเด้อไม่ไม่คิดซ้ําคิดเปลี่ยนใจนะมันก็พูดตก่แล้วมันก็มันก็เฉยเฉยอาทิตย์ที่แล้วนี่ไปกราบแล้วพระอาจารย์ปั่นตอนแรกก็เฉยเฉยทีนี้ก็เหมือนจะหลวงแต่ท่านก็เหมือนจะขายางหรือตีลเขมเราบอกว่าท่มีอะไรสอนจะลากลับพอจะลากับทุกกี้คนข้างๆให้ถามถามแล้วท่านก็สอนสอนสอนสอนสอน จนสุดท้ายก็มีครอบอครัออวแดง ก, ก็บอกว่าดูวหน้าเพิ่งสึกเนื้อผมสั้นๆเขาบอกว่าภรรยาเขาท้องสามเดือนขอพรตอนแรกท่านก็ให้พรว่าขอให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนนานทั้งสองคนสามคนเลยหิูก็เฉยๆหนูก็แคคานออกว่าเพื่อจะลงจากศาลาจนท่านบอกว่า ขอให้มีสติปัญญาเข้าถึงพระนิพพานทุกคนเถิดตรงนั้นหนูก็เลยหันหน้ามาหันมาถตงพวกเห็นพันกันลังมองอยู่พวกโอน้ำตาลกันแหละก็เ <c oughs> ลยไม่รู้ว่าไหลว่าอะไรก็จะก็ให้ได้ถึงพระนิพพานไง <c oughs> ถ้าจะมาขออาจารย์เราก็จะให้มาขออย่ากขี้เกียจ <c oughs> ทำเดียวกับหลวงปูโ่โสเลยหรอว่า อ, อ, อ, อ, อ, อยากขี้เกียจอะไรต้องการไรายได้หมดก็ อ, อยากขี้เกียจอย่างเดียอยขี้เกียจอย่างเดียวที่บอกเมื่อกลางเดือนยมไปกราบหลวงปูโ่โสที่ฝางนะคะอแล้วน้องที่ไปด้วยอ่ะเขายังไม่เคยไปกราบคนที่ที่เราไปอยู่เนี่ยใช่ไหมที่ไม่ไม่ค่ะน้องพ<อ>ี่วันนั้นพามากราบพระจางเงินสามสี่คนก็เส้นนั้นแหละเขาไป แล้วผมบอกว่าก็ขอทํามะหลวงปู่ให้น้องแล้วหลวงปู่ก็เทศเทศสอนแต่พอบอกว่าเออขออยากขี้เกียจอันมันโยกโหบกวาฟังหลวงปู่โซบอกว่าขออยากขี้เกียจนี่แบบฟังแล้วหน า, า <c oughs> วเพรอ่านประวัติท่านท่านเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่าเยันเช้า โอแล้วอยากขี้เกียจของหลวงปู่นี่ระดับไหนระดั บ, บนี้ร ะ, ะดัแบบไม่ต้องนอนอต้องนอนบบ ม, มันไม่ได้มันไม่ได้ทำอย่างนี้ไปตลอดหรอกมันทาแค่ฆ่ากิเลสนั่นพอกิเลสตายแล้วจะนอนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีปัญหาอะไรพอกิเลสตายแล้วมันก็ไม่ต้องนอนอยู่ดีกิลววเลสจะตายที่มันนานปตอนที่มันยังไม่ตายต้องต้องอยากขี้เกียจ ข, ขี้เกียจมันก็โดนมันบกทันที แล้วต้องลุยมันอย่างเดียวต้องลุกมันอย่างเดียวต <c oughs> อนที่เคยเคยนึกถึงตัวขีเ้เกียจนะจาจารย์เดินดลมนไม่อยากจะก้าวไม่อยากจะก้าวมันก็นึกถึงว่าตอนเนี่ยเรากำลังสู้กับอะไรสัก อ, อย่างเลยพอพิจารณามันตัวขีเ้เกียดนี่กว่าพอพรอาจารย์แค่นึกถึงตัวขีเ้เกียจปุ๊บ พอาจารยะลึกถึงกจะลงไปถึงสมัยเด็กๆที่เวลาเรานั่งฟังคุณครูก็สอนแล้วเราไม่อยากเล็กเชื่อแต่เราก็ต้องพยายามเล็กเชืเอ่อหรือเวลาเราจะอ่านหนังสือแต่มันไม่ยอมให้ อ, าอ่านเรามองปุ๊บอักต า, าทั้งหมดนี่คืออาจารย์เดียวกันเรียกว่าตัวขยยีเ้เกียจแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขัดขวางทุองกอย่างทุกอย่างหนักมากเพราะมันไม่มีตัวขยันมันก็ทําอะไรไม่ได้ ถ้ามัมีความเพลินที่นี่สติก็มาบรราัญญาติก็มาสมาธิก็มา เ, เขาขี้เกียจเขาโยกยังไม่เท่าไหร่โมหะง่วงนี่สุสดก็ตัวเดียวกันเลยเขาขี้เกียจกับตัวง่วงมันก็ตัวเดียวกันเลยง่วงแบบโอ้ก็ต้องจับมันไปอยู่ป่าช้ามันจะได้หายง่งวงมวยก็พูดคําเนี้ยเปินเลย บอกเนี่ยไม่อยู่ประชทศที่จะได้หายกูก็ลัอก็ดับมันอยากกินข้าวถ้ามึงง่วงก็อยากกินข้าวก็ลองดกลงัง อ, อูถ้า ง, ง่วงปั๊บดับมันเลยไม่กินข้าว <c oughs> เดี๋ยวก็หายง่วงโอ้โหขงโยมนี่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนออย่าไปกินข้าวดูสิ <c oughs> ดื่นแต่น้ำํำ <c oughs> ดื่นแต่น้ําผลไม้อะไรไป เจ็ตอนที่ไปอยู่วัดก็เปดื่มกาแฟอย่าไปอย่าไปดื่มพวกนิดปัวเลยพวกนี้เดี๋ยวมันติดอีกติดเราโยมใช้กาแฟอ่าติดอีกถ้าต้องกินทำอะไรกินก็ง่วงเองแต่มันจะเป็นช่วงตอนอยู่วัดมันเป็นช่วงสามสี่วันแรกหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นออย่าไปกินอะไรเลยใช้วิธีอดนี่ยดีที่สุดแกแกถูกทาง เราก็จะไม่ติดอะไรอาว่าไงมีอะไรพูดนะจะไปเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนึกไม่ออกถว่าันนี้ก็เข้าที่สุดท้ายแล้วต้องกลับอีกไหมก็เดี๋ยวจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่กลับแต่บังเอิญ ยังไม่ได้ให้แผนที่โอโอพรุ่งนี้เขาจะไปด้วยก็เดี๋ยวต้องกลับไปเพราติดกับกั้าเราคิดว่าจบชีวิตหมอตอนสี่โวงเย็นนะเรียนมาตั้งแต่สี4ขวบเป็นอะไรที่ตั้งแต่เกิดมนุบย์จบมนุษย์เรียนสี่ขวบเรียนทํามายากไปเยอะแล้ว เรียนธรรมะยากกว่าเยอะธรรมะพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันกบน็นแบรรลุได้เจ็ดเดือนกับรรลุได้บอกพระคำนี้ย <outgoing. S 2> อมแบบภาวนามาห้าหกปีเพ <c oughs> ิ่งรู้ว่าแบบตายแล้วโดนหลอกก็ไม่ในภาวนาเนี่ภาวนาไม่เป็นภาวนาต้องแบบมืออาชีพไม่ใช่แบบมือสมัครเล่นโผยตอนแรกโยอมภาวนาพราะยมเนี่ยเพรามันง่ายไงแต่จริงๆแล้วเพิ่งรู้ว่าอย๊ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ง่ายเพราะมันต้องทําตลอดเวลา ตอนตแรกเราคิดว่าทำเหมือนแบบเล่นๆทาชั่วโมงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ไม่ใช่หรอกบอกหนักกว่านั้นอีกตอนแรกโยมคิดว่าแหมรู้ตัวแค่เท่าไหร่สามสิบเปอร์เซนของวันอุ้นับเป็นชั่วโมงนับเป็นนาทีเพรมันไม่ใช่มันต้องตลอดเวลาต้องติดกันเป็นสายนะำโอ้ใจแล้วบอกว่าคำนวณแล้วโอ้โหให้รู้ตัววันละแปดชั่วโมง ให้ได้รู้สึกตลอดเวลาขนาดนั้นนี่ไม่ใช่ง่ายเลยอของหนูก็เอ๊ะแบบมันก็หลงนะยิ่งอ่านหนังสือพวกนั้นเยอะๆนะครับอาจารย์โอ้โหแค่นี้เองพอตอนที่พี่เขาเตือนมาเราไม่เคยเก็บตัวเอาจริงเอาจังเลยนะหนูก็เลยตัดสินใจโอเคเก็บตัวครั้งแรกเจ็ดวัน พอผ่านเห็นไหมเจ็ดวันยังไม่บรรลุธรรมเลยมึงมันเลยเตือน ส, นสติ<ม>แรงๆเลยก็มันไม่มีมเตือนเลยถ้าบรรลุก็คงไม่มีธรรมะมันจะบรรลุได้ไงมันไม่มีนสีห้ามันจะเปบรรลุได้ไมันต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันจะบรรลุได้ ไ, ไม่ใช่เก็บตัวแล้วจะบรรลุ มันต้องมีธรรมะด้วยมันถึงเยามนุได้ธรรมะห้าตัวนี้มันมาประสานกันกลายเป็นกลายเป็นยานพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ก็นั่นไง <c oughs> ตอนแรกนึกว่าแหม่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีคงไม่เท่าไหร่นะเอ้าพอปีที่หกถึงได้รู้เรื่องอ้า ไม่มีอะไรไนนะสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาไม่มีแล้วมันจะไปได้เไอเอาแค่สติแต่วโ อ, องต่อวันนี้ก<ม>็ไม่ใช่น้อยแลย้วจิตยังไม่ใครรวมเลยแล้วจะไปได้ยอย่างไรตรงนั้นแหละค่ะอาจารย<ม>์ว่าวัดนี้จะก้าออกเปอะไรที่กลัวที่สุดตรงนั้นเลยเหรว่ายังติดนู่นติดนี่อยู่แล้วจะไปได้ยังไงเหมือนเดิอไม่ถอนสมองมันจะไปได้ยังไง ต้องถอนหมดเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผุตภาพนี่ต้องโยนทิ้งไปเลยใจไม่ไปสนใจกินเพื่ออยู่จริงๆไม่ได้กินเพื่อเพื่อเพื่อกิเลสกินแคเพื่อให้มันเลี้ยงเลี้ยงดูร่างกายไปเท่านั้นเองไม่ได้กินเพื่อรสชาติเพื่ออร่อยอร่อยเพื่อความมันความหอมของรถกาแฟของกลิ่นกาแฟท <c oughs> ี่ยังเลอกได้แบบเนี่ยจะไปบวชบัญชีแล้วเนี่ย <c oughs> คิดว่าคงทำได้พ่อาจารย์คิดแต่ว่ายังไม่เลิกยังไม่เคิก็พังไม่าเคยเขาเคยทำมาแต่เด็ดนีกว่ามีมีต้องแพงแล้วเพราะมันติดกันทั่วโลกอะสตารบ้างมันถึงรวยพรอาจารย์หรืว่างนีนยใช่ไหมถ้ามันไม่ติดสตานบ้างมันจะขายได้เลยอย่างหนังสือสุพะนี่ขายมันขายไม่ออกไม่มีใครไม่ใครไม่มีใครไปซื้ออ่าน ก็มันน่ากลัวพระอาจารย์หนังสือเฟซบุ๊กนี่ขายกันได้ทั่วโลกเลยนะใช่ฮะมันก็ร่างกายเหมือนกันอ่ะแต่ลีละเหมือนกันแต่หนังสืออณฑรมีไม่มีใครทํามาขายออกมันเอิมันยังเครียดเลยนะมันยังเห็นฟอมต่างมันยังมีเพศหญิงเพศชายนี่แหละทางโลกมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ตัดทางนี้มันไปไปทางธรรมไม่ได้หรอก มันต้องตัดกามกามะชันทะตัวนี้เป็นเหมือนสมอเรืออะไรเรือจะวิ่งไปเกาะไปไเมื่อไห น, นมันต้องถอนสมอเอรือกามะชันทะนิวร์เนี่นยไอมตัวนี้เป็นตัวเรือลานี้มีสมอตั้งห้าห้า<ช>ห้าห้าอันแต่อันนี้หนักที่สุด องค์ปะนไม่มีการฉันทะนี่เป็นนาคาดิค่ะยังยังนี่เป็นแค่ขั้นนิวรา น, นี่ยังไม่ตายยังไม่ตายห ย, หยุดมันหยุดมัได้ชั่วคราวอจะได้มีเวลาไปภาวนาะทําใจให้สงบได้เหมือนเด็กเลิกเล่นเกมจะได้ไปเรียนหนังสือได้พเพราะนันจบแล้วอยากจะกลับมาเล่นมันก็ยังมีความอยากอยู่ ยังต้องถอนสมองเรือนะถ้าอยากจะไปทางนับผลที่ผ่านนี้ต้องถอนกามัฉันทะถอนความง่วงเหงาเหงานอนความเกียจค้านนี่ยก็เรียกความนี่งความง่วงเหงาเหงานอนถึงนิทะก็คือความเกียจค้านี่ดีนี่แล้วก็ถอนเรื่องความฟาุ้งซ่านคิดมันไปทั้งวันเรื่องธรรมะให้คิดไม่ยอมคิดคิดแต่เรื่องคน น, คนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ คิอยได้คิดแล้วก็ฟุ้งเฟือยวิตกกลางวันห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เป็นตัวสําคัญเรื่องเรื่องความสงสยัยเขาไม่สงสยัยเราชาวพุทธเราเชื่อพระพุพทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่แล้วอาจจะสงสัยนี่นว่าเราปฏิบัติก็จะได้เจ็ดวันอย่างที่เราพูรือเปล<ง> <c oughs> <c oughs> ไม่สงสยัยไม่ได้แ น, <c oughs> น่อๆแล้ว่าเจ็ดวันเจ็ดสิ่กูก็ไม่ได้ ไว้มันได้ภายในชาตินี้ก็แล้วกันก็ไบ้เก้าวันยังไม่ได้แม้ว่าจะเก็บตัวและเก้าวันมันเก็บแบบไหนหรือมันเก็บแบบใจลอยไปลอยมามันเก็บไปร้อยวันมันก็ไม่ได้ถ้าจะเก็บมันต้องใจนิ่งใจรวมใจสงบอย่างนี้มันได้ การวิริยะกับสติเนี่ยถ้ามีวิริยะก็จะได้ผลิตสติขึ้นมาศรัทธามีแล้วเนี่ยไปบวชก็เพราะมีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ตัวที่สองก็คือวิริยะต้องมาแล้วก็ต้องขยันภาวนานะขยันเจริญสติพอมีวิริยะขยันภาวนาสติก็โผล่ขึ้นมาพอมีสตินั่งสมาธิจิตกวมเป็นอัปปนา พอถอนออกจากมนาก็พิจารณาตายรักดูนึกพิจารณาสุภดูก็จะตัดตัณหาต่างๆได้ตัดภาวะตัณหากรรมตัณหาวิภาวะตัณหาโสดาบันก็ปรากฏขึ้นโสดาปฏิผลก็เกิดขนะึ้นขจีดาอาจารยพูดแบบอ่าก็มันขั้นตอนมันเป็นอย่างงั้นอะ่ะแต่จะได้ไม่ได้ก็ เ, เรื่องเลเหมือนมันง่ายง่ายเรามันเป็นอย่างนี้อะ เหมือนอาจารย์หมอสอนลูกศิษยวิธีผ่าตัดก็ต้องดมยาก่อนะดมยาแล้วก็ผ่าออกมามันก็มีขั้นมีตอนของมันไป <c oughs> อย่างมันมีขั้นมีตอนถ้าทําถูกขั้นถูกตอนมันก็ไปไปได้แต่มา น, นี่มัสติมันก็ไม่เอากันมันจะเอาปัญญากันก่อนเลย ม, มีปัญญาจะกระทั่งล้นพุงแต่ปัญญาแบบ ตัดกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิสนับสนุนมันก็เป็นสัญญาเั้หมดเป็นความจําใช่มากกว่าจํำมารยาสตร์ได้จํามรรคแปดได้พอถึงเวลากิเลสพอขึ้น ม, มาเอามาช้าเอามาฆ่ากิเลสเลยนะจําไม่ได้แล้วบอกกิเลสบอกกาแฟนั้นลืมหมดเลยจําได้ว่ากาแฟตั้งอยู่ที่ไหน บักขายไปไหนไม่รู้เลยนะเป็นยังยังไม่ได้เป็นปัญญาจริงถ้าเป็นปัญญาจริงพอตัญหาเกิดขึ้นปับ๊บโอ้ยนี่มาแล้วนี่ข้าวเกสกศัตรูไฟลุกแล้วต้องรียกเอาน้ามาดับแล้วไม่ใช่ปล่อยให้มันลามออกไปทางกายทางวาจาเฮ้ยไปเอากาแฟาให้คุณหน่อยไว้ รามีอะไรไหมจะไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วนั่นเนี่ยนล้วสักกี่วันแค่กี่วันที่จะไม่เห็นเดี๋ยวไม่กี่วันก็โผล่<ม>กลกัมาอ้าวเป็นแม่พรจานท์กาจะปีงมากราบพระจันท์ปีนก็<ม>ได้ไม่โกรจะกลับมาอยู่ที่บ้านนี่<ม><ม>กลับมาเลี้ยงหมาเหมือนเดิมนกลับมาเลี้ยงหมารักหมาไง มันข้างก็ยังไม่รู้ครูบาอจารย์ทางบ้านยังไม่รู้เดี๋ยวก็รู้คือจะรู้พร้องกับค น, นอื่นนจันทรตจะเป็นชีบ้านก็เป็นชีบ้านนะมันมีสองแบบนะ <c oughs> ทำไมนี้บางทีบางคนก็ชีบ้านอยู่บ้านบวชแต่ไม่อยู่บ้านอ่ามันก็ได้ถ้าเป็นชีบ้านก็ต้องเป็น ให้เป็นเหมือนชีวัดก็คืออย่าไปเป็นเหมือนชีบ้านคืออยู่แล้วก็เลี้ยงหมาเลี้ยงนูดเลี้ยงนี่ทําอะไรปนอัไรไปหมดแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวก็ก็เป็นเหมือนชีวัดก็คือเก็บตัวภาวนาอเก็บตัวภาวนาแต่ทางออกของกิเลสม่นก็ยังมีเยอะกว่ากาจะที่บ้านนะใช่ค่ะเพราะเราภาวนาถึงจุดหนึงปุ๊บนะ เรารู้ว่ามันไม่ไหวอ่ะมันเดื่อแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการมากกว่านี้ทางออกมันเยอะพอเราออกแค่พ้นโผล่มันจะไปไหนดีแม่ลาดดูดีอ่ะไปกอเขาสวนหลองอ่ะคงไม่แล้วล่าช้าหรือไปจย์สงบถ้าเกิดว่าแม่ชีแลเด้งออกมาคงไป็นวัดพระจันสงบหรือไม่อช่ท่านให้อยู่แล้ะ ก็เบื้องต้นก็ท่านคงแห้งอยู่นะคะแต่จะไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนภาวนาก็เพื่อหยุดสังขารความคิดมนะันหยุดความคิดได้มันก็สงบมันน่าจะรู้ตั้งแต่ต้นแนละ้นั่งสมาธิที่ไม่สงบก็เพราะอะไรก็เพราะมันคิดนย่างนแต่พุโทโธก็จะ้หยุดความคิดให้ดูลงก็ก็จะได้ยหยุดความคิด น่าจะเป็นของไม่ชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์เขาพวกนั่งทอดเกี้ยวออกมานักศึกษาแต่กโอ้มันเราคมสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆมันไม่ค่อยมีเอาความคิดที่ดีมาอยู่ความคิดที่ไม่ดีสมัยเด็กๆมันยังมีน้อยแต่พอตอนหลังอย่างที่ว่าพอออกมาปุ๊บทิ้งเนี่ยเพราะว่าเอ๊เราก็ภาวนาได้แค่เนี่ย การเรียนเราล่วงลงมาอย่างอย่างอย่างมากเราต้องเลือกแล้วตอนนั้นตอนสมัยเด็กๆคือมองแล้วว่าทางนี้เรายังไปไม่ได้ก็เลยออกมาเรียนหนังสือก็อทิ้งอย่างนี้นี้ก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวก็จะอทิ้งได้รู้โหยถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมา ธ, ไมมมาธิไม่มีอะไรเลยเนะี่ยมันทุกข์มากทิ้งได้หวนกลับมาหวนกลับมาก็เจ็บ ปัจจุบันเนี่ยเจ็ดปีพอดีที่ร่าจากที่ขอนกลับมาแค น, น, นียอย่างน้อยก็ได้บวช <c oughs> ได้การนาคามีอะไรเนี่ยบวชนะ น, <c oughs> นาคามีสมมติไปก่อนผมนข้ยดีอะนาคามีติดกาแฟก่อน <c oughs> อนาคามียังติดกาแฟได้อยู่ จริงๆไม่ติดเหรอคะจริงจริงๆไม่ติดไม่เตสไม่ติดทุกอย่างลูกเสียงกินแล้วดูได้ฟังได้แต่ดูไม่มีดูก็ไม่เดือนร้ออย่างหลวงปู่มั่นท่าก็สูบบุหรี่วันละห้ามวนมีคนมาถวายท่านี่ก็สูบไม่มีก็ไม่ต้ไม่มีก็ไม่สูบไม่ได้ไปสั่งให้ลูกศิษย์ไปหามาเพิ่มเติมมันเป็นธรรมเนียมคนทําบุญบางทีก็ถวายหมากเพื่บุหรี่ มีทั้งกับสู่มันเล่น เ, นเปรี้ยวป่ากก็สูบมันเล่นไปมันเรื่องของขันใจมันใจคือตัญหาที่อยู่ในใจมันไม่มีหมดก็หมดแค่นั้นเองมีก็มีก็สู่ไปกินไปหมากก็เคี้ยวไปน้งตาท่ากนก็เคี้ยวหมากคนก็คิดว่าติดหมากไม่ติดหรอตอนที่ท่านเขานิมนต์ท่านไปอังกฤษสองวันทิศ ถ้าบอกนี่ไปอยู่ที่สนามบินคนเราหมาพูมาถวายเต็มกลัวลงผุดกลัวจะโคอรลงแดงวันนี้จะเคี้ยวตรงนี้มาคําสุดท้ายตรงนี้เคี้ยวเสร็จแม่เอาขึ้นเครื่องนะพรุ่งนี้เอากลับไปให้หมดมันจะเคี้ยวให้เขาแล้วถ้าเขาขึ้นเครื่องไปไม่มีหมากูติดไปเฮ้ติดแบบม่ติมีก็เคี้ยวไปอย่ังไง งานทั้งหลายมันออกมหมดเลยนะครับอาจารย์พอมันออกมานล่อหม่อยู่ที่ดีกก็ลูกหมาก็มาตั้งสิบตัวอืมมา เ, เลย ม, มา ม, มามามาผจญแล้วเลยมาดื่มนักหมาเขาลักหมาเขาดีหมาเขาเลี้ยงออกลูกมาสิบตัว <c oughs> แล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะอยู่กับพี่สาว เ, เอาไปแล้วเลย ไม่เออบางเอออยู่ที่นู่นจ่ะช่วงที่หนูมาเก็บตัวหนูเอาไอ้ตัวที่อยู่กับหนูมาไปอยู่เขาเพื่ออะไรได้มาสองข้อกันสิ่งต่างมันรูสารมาคลอดก่อนที่เราจะไปนี่หนึ่งที่บ้านก็จะไปด้วยปะไม่จะไปพี่สาวไปด้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะรู้เลยเดี๋ยวพรุ่งวันที่สาวหยุดดกเขาก็จะรู้เลย อย่างไรเขาบวดได้ก็ถือว่าไปก้าวหนึ่งแล้วนะเอาบวดได้ไหม <c oughs> เขาไม่บวชแต่ไปอยู่วัดดีกว่าไหคะบวช <c oughs> มาเก็มันไม่รู้เลยในในความรสึกโยมเวลาบวชแล้วมันบอกไม่ถูก <c oughs> มันเห็นอะไรมาเยอะจนมีความสึกเฮ้ยถ้าอย่างนี้เอย่าบวช ด, ดีกว่าภาวนาแล้วแบบไปเก็บตัวอยู่ในป่าหรือที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกอย่างนั้นบวชมันจะได้เข้มขน้นขึ้นไงมันจะได้ถอยหลังไม่ได้ <c oughs> ไม่บวชนี่เดี๋ยวมันวันไหนมันเปลี่ยนใจมันก็กลับบ้านได้มไม่ใช่งั้นนีโยมเห็นบวชแล้วไม่ภาวนาก็เยอะก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเราไม่ได้บวชแบบเขาเละอย่าง เราจะไปอ้างเขาบวชดังนั้นเราจะพอเราบวชเราจะเป็นแบบเขาเ้ยอย่างนั้นก็ไม่หยาบก็ไม่มีใครบวชได้เลยทำไม่ไปดูคนที่เขาบวชแล้วเข้าบรรลุกันน่ะไปดูแม่ชีแก้วไปดูกองเขาสวนหลวงอระเจ้าไม่ดูของไม่ดีแล้วก็จะไปอ้างของไม่ดีว่าบวชแล้วเราจะไม่ได้ดีเราเลยบอกให้ดูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นตัวอย่างอย่าไปดูแบบเอ๊ ของเทียมของปอลอมเพชรเพชรปอลอมอย่าไปดูให้ไ ป, ไปดูเพชรจริงเพชรแท้รตตนะรัตนะพุทธรรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเนี่ยดูกูบาจารย์เชชชนี่ยเพชรแท้บวชแล้วท่านเป็นยังไงท่านบวชแล้วท่านมาบกมาบุญบางสังสวดใช่ไหมมานั่งประท้วงอยู่กลางถนนน้วยถ้าเกิดวบวชแล้วต้องมาทำนี่ก็มียาบวชดีกว่า เราก็เหมือนกันตอนที่เราบวชเราถึงรู้ว่าโอถ้าบวชกูไม่เอาแน่ๆนะถ้าให้มาบุญบางสังส่วนเนี่ยถึง <c oughs> ต้องหนีไปหาที่ไกลๆเลยได้ไปอยู่กันหลวงตาพอโชคดีเนี่ยวันก่อนจะบวชไปไปไม่รู้จักหลวงพ่อโมเกตแต่บ้านอยู่ใกล้วัดท่านพขบอกว่ัดนี่ยแถวเนี้ยดีที่สุดแล้วล่ะก็เลยไปเอาวะเกลียวจะบวววัดนี้แหละเพราะไม่รู้จะไปบวชที่ไหนไปก็เจอท่านพอดีท่านออกมาเดิน ตรวจวัดมั้งเราก็ไม่รู้เป็นท่านเราเองก็ไปยกมือไหว้ไม่กราบพระไม่เป็นไม่เคยเข้าไว้ดยกมือไหว้แถวเจ้าว่าอยู่เปล่าครับบุนได้เจอพอดี <c oughs> แล้มีตัวร้ายอะไรเลยงั้ก็เลกราบแล้วก็ลา่ายคาบมาผมตอนนี้ได้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่มาอยู่ปีหนึ่งครับผมเองผมคิดว่าผมอยากจะบวจ ถ้อยากจะบววัดที่มีแต่การปฏิบัติเรื่องเรียนเรื่อ ง, อ ง, องสวนอะไรนี่ผมไม่เอาถ้าโชคดีท่านตอนนั้นท่านก็เริ่มสนใจสายหลวงปู่มั่นพอดีแล้วบอกท่านก็เพิ่งไปกราบหลวงปู่ฟั่นกลับมาแล้วท่้นกาลังไปทําสวนปฏิบัติธรรมอยู่ที่ห่างจากวัดไปกิโลนี่ที่เป็นวัดอะไรสุดที่พรวันตอนนี้เพืาาตอนนั้นก็เป็นแบบนี้เป็นสวนอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ปลูก ปลวกไอ้กระต๊อบไม้่า่ไม้มีอยู่สี่ห้าหลังวันไหนที่ท่านไม่ต้องทำภารกิจที่วัดช่องลมท่านก็จะเข้าไปปีกไม้เว้ย ไ, ไปไปทุดงท่านก็จะไปชั้นในบากไปบินทบาศชันมือเดียวแล้วก็เลยขออนุญาตไปลองไปอยู่ที่นั่นแต่ก่อนจะขอเนี่ยได้คุยถามว่าเราจะทำไง ท่านก็บอกว่าถ้าจะปฏิบัติต้องไปบวชที่วัดบอลสมเด็จจ้าว่าท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปฏิบัติมาปีไม่รู้จักสายหลวงปู่มั่นเลยเพราะเราสายพระไตรปิฎกสายศรีรังกาได้หนังสือพระไตรปิฎกจากศรีรังกาไม่เคยไปวัดแล้วท่านก็บอกว่า อยู่ถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่านห้าพรรษาวัดท่านก็ไม่ใช่เป็นวัดปฏิบัติก็ต้องเรียนต้องทําอะไรเหมือนรูปนั่นก็อะไรนะบอกว่าไปบวชกับสัเด็จยาเพราะที่นั่นมีพระฝรักงเยอะไปบวชแล้วก็ขออนุญาตท่านไปอยู่กับน้วงปู่ฟ้านอยู่กับหลวงตามหาบัวอยู่กับน้งาาาบวนงปู่ขาวก็เลยได้แนวทางไม่รู้จะไปบวชที่ไหนท่านเป็นคนแรกพระคนแรกที่เราได้แต่ ได้ไปพากาไปคุยด้วยก่อนหน้านั้นเราไม่ได้คุยกับพระรูปไหนแล้วนะ่ะได้แต่ต้องสียอ่านเสียแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติที่ที่บ้านจนครบเวลาที่เรากําหนดแล้วว่าจะปฏิบททัติเีหนึ่งเราจะตัดสินใจว่าจะดาเนินท่านต่อไปอย่างไรมันก็มีสองทางเลือกถ้าไม่บวชก็ต้องไปธรรมากินต้องเงินหมด เงินที่มีสำรองไว้สำหรับจ่ายค่าอาหารเพื่อปฏิบัติธรรมนี้มันหมดเนี่ยถ้ามีสองทางเลือกถ้าอยากจะปฏิบัติมันก็ต้องบวชถ้ายังเสียดายชีวิตคารวะอย่างยังมีใจนี่มันก็ยังอยากจะเป็นอิสระอยู่ปฏิบัติไปบ้างเที่ยวบ้า ง, งไม่ได้เที่ยวก็อย่างน้อยก็ได้ออกไปทะเลถลายไปนู่นมานี่ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกหมายถึงว่าแต่มันก็เที่ยวตามภาษากิเลสแหละแต่ไม่ได้เที่ยวแบบที่เราเข้าใจ อก็คือได้ออกนอกอกบ้านบางทีทไปนู่นมานี่บ้างถึงไหมแต่ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเพียงแต่ว่าได้ไประบายอยู่ในบ้านนานๆปฏิบัตินานมันก็จิต ม, มันถูกขังใช่อะไรอ่างนี้มันจะเรียกว่าที่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามีเงินอีกสักก้อนคุณจะทําแบบนั้นต่อได้นี่เงินหมดก็เลยน้องบวชถ้ายังอยากจะภาวนาต่อปฏิบัติต่อ ถ้าไปทำงานก็ไม่มีเวลาะพาะเราเพิ่งเราออกจากงานมาเรารู้เนี่ยเราทำงานมาก่อนแล้วเราภาวนาเราก็รู้ว่าเวลามันมันมันขัดกันก็เลยตัดสินใจบวชก็เลยไปไปหาพระที่วัดช่องลมวัดใกล้บ้านก็ได้เจอท่านพระกูบโบเกะเนี่ยนี่ก็ปีสองันห้าร้อยสิบแปดสี่สิบปีแล้วเนี่ยตอนนั้นท่านยังหนุ่มนะท่าน อายุ40นะ้อง mm hmm. 41เพราะต่อปีนี้น 81, <Yeah. S 1> นท่าน81เฉยค่ะในเจ้าท่านนะท่านอายุ41พอได้ข้อสรุปแล้วก็เลยท่านนะพอท่านบอกที่ท่านมีสวนปฏิบัติก็เลยขอไปอยู่ก mm hmm. ็ไม่ได้ขอตอนาาต้านไม่ได้ขอเพียแต่ทราบแล้เลยกลับไปบ้านกลับไปบ้านทับก็อยากจะไปก็เลยไปขนเรามีทนอนที่นอนที่นอนที่พับได้หมุนได้ไป ไปถึงวันดีท่านก็กำลังปัดกราดอยู่ในสวนก็ไปขออนุญาตบอกผมจะมาขอทักที่ให้บอกว่าไม่มีมุ้งไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรโอ้แต่นี้สวยแล้วค่ะเอมีศาลามีอะไรบทองเอ้มีสาลาสวยธรรมชาติธรรมเทียนไม่อยู่เวลาก็อยู่แบบไม่รู้เรื่องไม่เคยเข้าวัดไม่รู้ไม่ ถ้าตอนเช้าไปบินระบาดก็ไม่ได้ไปช่วยท่านบินระบาดทำนั่งภาวนาของเราไปเหมือนเล่นด้วยถึงเวลากินก็ท่านเมตตา ม, มาตามลงไปกินถึงจะไปทาไมตามก็คงจะอดนเนาะพราะเราเคยอดกันด้วเราปฏิบัติ <c oughs> ตอนที่พระอาจารย์อ่านหนังสือพระอาจารย์ก็อดด้วยค่ะอดห น, นังสือมันมีบอกวิธีแก้นิวงนิวรในหนต่างเนี่ยไปอยู่ที่น่ากลัวอดอาหารเนี่ยมันมีในหนังสือมันบอกนอกจากข้อสูตแล้วมันมีเขาเรียกดีกาคือเป็นคําคําสอนเพิ่ ม, เ ต, มเติมของครูบาอาจารย์ในสมยัยโบราณ น, นี่ถือเป็นทุดดองขาวเลยไหมค่ะตอะไรอดอาหารเพ อ, อาหารมันก็ไม่ไม่เชิงอ่ะเพราะที่ดงกาวันมันฉันมือเดียวมันก็ใกล้เคียงคือท่านยังมีคำสอนอยู่ว่าให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารผู้ภาวนานี้ต้องมีคุณสมบัติมีการปฏิบัติอยู่สี่ห้าอย่างถึงจะได้ผลข้อหนึ่งต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารสองต้องปลีกวิเว ก็องอยู่ตามลำพังรู้สึกสามจะต้องจเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องในข้อจำไม่ได้มีสามสี่ข้อเนี้แต่ข้อหลักๆก็ต้องปิดเว่ยๆต้องอยู่คนเดียวสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายดรวมอินทรีย์ไม่ดูไม่ฟังไม่ไปทางกรรมแล้วก็รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร แล้วก็ลองเจริญสติตลอดเวลาแล้วมันจะพาไปเองหนังสือมีหมดหนังสือภาษาฝรั่งออก็แปลมาเป็นจากพระไตรปิฎกเขาคันออกมาเลยสติปัฏฐานสูตรนี่แล้วเขาเขมันมีหนังสือหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นหนังสือหลักของการเจริญปฏิบัติก็คือวิสุทธิมรรควิสุทธิมรมรคนี่จย จะรวบรวมทาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ม, มาถ้าอ่านเล่มนั้นจะเข้าใจหมดเลยว่าต้องทำอะไรบ้างมาสมัยนั้นเราพอดีก็เราเชออ่าหนังสืออยู่แล้วสมัยก่อนไม่มีหนังสืออ่านก็อ่านนิยายอนเรื่อ ย, ย้วพอดีมีคนเอาหนังสือธรรมะมาอ่านก็มันดีเลย ไปเขียนไปขอเขาไปเขียนไปชื่อเออมันก็มีทั้งของแจก้วนะของขายเขาส่งรายการหนังสือมาให้ว่าหนังสือเล่มนี้มีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวอะไรสนใจอะไรก็เล่มนี้ฟรีเล่มนี้ต้องจ่ายตังค์ก็ได้หนังสือมาหลายเล่มเอามาอ่านเป็นคู่มือแล้วก็อ่านไปปฏิบัติไปตอนนั้นยังทํางานอยู่ ก็เริ่มปฏิบัติแล้วทีนี้จิตมันเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้มันเห็นความแตกต่างเลยเวลาทํางานนี้จิตมันวุ่นมันต้องคิด ม, มีเรื่องราวมีปัญหาต้องแก้วเวลานั่งสมาธิใจว่างเย็นสบายโอ้มันคัดกันตอนนั้นนี่อาจารย์ทำงานแล้วเห็นจิตมันวุ่นนี่แสดงว่าตอนนั้นจิตมันก็เป็นทุกข์แล้วเออ จิตมันสงบแล้วมันเริ่มสงบแล้วนะถึงแม้มันจะไม่รวมแต่มันก็เข้าเข้าสู่ในระดับที่มันไม่มันมันมันลดมันลดจากระดับที่เคยเป็นมามันเห็นความแตกต่างระหว่างเวลามีเรื่องกับไม่มีเรื่องเวลาจิตไม่มีเรื่องเวลาจิตภาวนาพุทโธแล้วท่านกแช่ลมหายใจเข้าออกมันก็ว่างเย็นสบาย พอมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็วุ่นขึ้นมาวุ่นขึ้นมาก็เลยบอกว่ามันสองอย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้หรอกอย่างใดก็เอาอย่างนี้นอะไรดูมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเคยว่าอยู่ได้ปีหนึ่งว่าอะไถือเลิกวันสิ้นปีเดือนสาสิเ็ดธันวาของปีนั้นตอนนั้นเราเริ่มปฏิบัติปีสองพันห้าอยสิบหกปลายปีช่วงสาสี่เดือนก่อนปลายปีนั้นปฏิบัติ ปฏิบายได้ปั๊กก็รู้ลนะ้วต้องต้องไปทั้งต้องต้องหยุดทำ ง, งานก็เลยบอกลาพอดีบอกแจ้งเขาไว้ล่วงหน้นาดเดือนเขาจะได้หาคนมาแทนได้เลยถือเลิกวันที่ส1มสิบอ็ดวันสุดท้ายของการทำงานยังฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คืนนั้นยังกินเบียร์ได้อยู่ ควรที่จะกินกาแฟได้อยู่แล้วบอาว่าจานกินเบียร์ก็กินบ้างอ่ะอยู่ที่เมืองนอกมันเป็นปกติเนื้กินเบียร์นี่มันเป็นชีวิตของมาอะไรอยู่แล้วพอสาวอาทิตย์สุสาวอาทิตย์ก็จะจัดตาร์ตี้ปาร์ตี้กันแล้วกินเบียร์กันแล้วตอนหลังก็เริ่มมียาเสพติดมีการชาอะไรมาเสพกันก็เสพไปตามภาษาอยู่ในสังคมแบบนั้นก็เสพแตามต่างอย่างมัไม่ติดอ ไม่ติดัไม่ติ ด, ตดเด็กพอพอภาวนาปั๊มเลิกหมเลยบุดรี ก, ดก็เลยสูบก็เลยเดยกใครกินก็เลยชาใครสูบก็เลยเแสดงว่าอันนั้นเป็นสังคมปกติของฝรั่งเลยเอช่มัมนั้นคือกาเรเล่นเสีย่ย พระอาจารย์นแล้วตอนนี้พระอาจารย์เป็นฆราวาสอดอาหารนี่พระอาจารย์อดครั้งหนึ่งกี่วันก็ไม่กี่วันอนะ่ะมีครั้งหนึ่งเราจะไปอยากจะไปหาที่พัาอันนี้เนี้ ย, ยก็เลยไปเกาะล้านช่วงนั้นเกาะล้านมันยังไม่มีคนเที่ยวเยอะแล้วมันมีหาดที่เป็าดเล็กๆไม่มีคนไปเที่ยวแต่เรารู้จักพวกคนคนคนเรือที่พาแขกไปเที่ย ว, วก็กเกาะเยอเข้าไปแล้วขอให้เชื่อไปส่งแล้วก็ ก็จะไปอยู่สักสองสามวันมัน้งก็มีแตเ่เอาเอาเอากล้วยไปวีเอาส้งไปโร่นะี่เป็นสเสบียงก็ไปอยอออู่ไม่ได้อดมากนะก็ไม่ไม่ไม่ไม่คือไม่ได้กังวลกับเรื่องอาหารมากเกินไปก็กินวันละมื้อมันก็เหมือนกับอดแล้วเพราะเรากินแค่ไป็เตี่ยวชาม ข้าหมูแดงจานไี้ก็จบอย่างนนั้นข้าหมูแดงเข้าวมันไก่ข้าวแจงข้าวราดแจง้วอะไรไปตามมีตามเกิดยินพร้อยมันอยู่ทองก็พอแล้วพระอาจงบย์บวชมีท้ อ, อไหมครับหรือว่าแบบเอ๊ะกะดีกว่าอะไรไงตามที่เริ่มบวชไม่มีเลยนัไม่มีในใจเลย ให่มีใครหลังเลยใช่ไหมครัวัน เ, เดียวจบอ่ะบอกวันเดียวจบเลยเดี๋ยวจะมีแต่จะคอยตัดใครจะมารบกวนพอไปยังมีคนส่งส่งจดหมามยมาชวนไปทํางานก็มล้วเขารูท้ทีไงว่าเพราะอาจารย์ดึงก็งงเป็นเพื่อนฝูงเขาก็เสกร์ฟสอนทานกันอยู่ เรพอเป็นคนรู้บ้างแต่เราไม่ได้บอกคนแต่ถ้าโงยาไปถามคนยุ่งทนนี่มันมาชวนไปทำงานบ้าที่ทํางานหนูเขายังไม่เชื่อนะ <c oughs> เข า, าโอ๊อเดี๋ยวไม่กลับมาลา <c oughs> แค่สามเดือนแต่หนูก็เตรียมใบลาต่อนั่นอีกเดือนหนึงเรียบร้อยแต่มีคนรู้อยู่ไม่กี่คนต้องจินไม่เข้าห้องไหนแล้วมไม่อยากจะไปไหนแนละ้ว <c oughs> อยาก จ, จะอยู่ข้องไหน <c oughs> เราไปผ่นานมาแล้วข้างนอกชีวิตข้างนอกผ่านมาพอแล้วตอน<อ><บ>ที่ไปนู่นนี่ก็เจอจิตเข้าข้างในแล้วอืเข้าตั้งแต่เมื่อมปฏิบัติเนี่ยมันสงบก็เรียกว่าเข้าข้างในแล้วจิตรูแ้แล้วว่าข้างนอกเป็นเป็นไฟข้างในมันเย็นจะไปออกข้างนอกทำไม อ, อแล้วมันวุ่นวายนะพอข้างในปฏิบัติสามเดือนก็เข้าข้างในแล้วอันนี้มันจะมันจะมันจะออกจากงานได้เลยอ ถ้ามันไม่เข้างานมันจะออกออกจากงานได้ไงมันเห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานกับการไม่ทำงานการภาวนาการภาวนาเนี่ยโอ้โหระหว่างประตูสังขลังซักเสื้อ <c oughs> มันก็เลยมัน่นคงอแล้วก็ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ได้เทนเนอร์ดีๆด้วย คอยคอยคอยชี้นะคอยบอกว่าขั้นต่อไปต้องทำอะไรบ้างมันก็เลยไปไปไปไปเร็มากนะต้องลุยนะหมอออกนี่ถือว่าตีระคังเก้งแล้วนะเพื่อนเสียะ ก็จะไล่ส่งเลยใช่ไหมครับ ไ, <laughs> ไม่ต้องหวกลับมาอีกแล้ว <laughs> อันนี้ก็บอกหมดเปลือกแล้วเนี่ยบอกว่าต้องทำอะไรบ้างด <laughs> จะจำได้เปลาเนาะคนรใหม่ก็ได้ <laughs> รหัสกายไปแล้วศูนย์ศูนย์สี่นะลูกศิษย์ที่มาศึกษากับเราเนีบวชเป็นเชียคนนี้คนที่สี่แล้วคนที่สี่นแล้วก่อนหน้านั้นนี่ไปอยู่ที่ไหนจ้าคะก่อนหน้าไหนก็อยู่บัดสามองค์สามไม่สี่สาก็มาสมบูรณ์ที่วัฏยาเนี่ยแล้วพอฟังเทศฟังธรรมแล้วเขก็ศรัทธาท่านก็เลยบวช วดหยู่ที่เนี้ยเหรอคะวดแล้วเขาก็มีบ้าน อ, อยู่เขาอยู่บ้านอีอทั้งสามคนเขาก็มีบ้านอยู่คนหนึ่งอยูอย่อยู่เลยพัทยาไปหน่อยไปทางไปทางวัดอวัดเขาอะไรเขาหลวงพ่อนั่นแหละเขาได้เขาเมกอบเขาหลวงโป้เลยเไปถางหลวงโป้อยู่ทางสายเออมอเตอร์เวย์ทางนั้น เขามีบ้านจัดสรรก็ซื้อบ้านอยู่ เ, เล็กมกันเป็นอยู่ในบ้านจัดสรรนี่ก็บ้านจัดสรรนี้มันก็เงียบมันก็อยู่น้องอีคนก็เป็นเพื่อนกันก็ไปมีบ้านอยู่พัทยายเขาก็เป็นอยู่ที่บ้านน้องีคนก็มีบ้านอยู่ที่น้องจับต่าเนี่ยน้องสาวของอ่ะแม่ชีขาวอันนี้ก็แม่ชีกันกนะแมีกันละกัน ชีก็เรียกว่าหมอลงเลนีหรือหมอหลงรู้สึกว่าเราจะมีวาสนาว่าทางแม่ชีเนี่ยะอาจารย์อจาแต่มันก็สมัยเด็กๆเนีน่ยอาจารย์พวก เ, เออคือมีหนังสือเหมือนทำนายเป็นของ อ, อ, งองาคงแล้วเสร็จปุ๊บก็ชอบเออพวกพี่ๆก็ร้องวงอ่านกันแล้วก็ว่าดวงหนูเขาเขียนว่าถ้าเป็นหญิง บวชชีจะมีเสื่อผ้าเยอะเพราะอาจารย์ตอนที่ี่อ่านเล่นๆกันอย่างนั้นนะอาจามันก็รู้สึกว่าคำว่าบวชชีมก็ขึ้นมาอยู่ในใจทันทีเลยอาจารย์ตั้งแต่ตอนเด็กๆ เ, เ, เลยอตอนนั้นที่บ้านยังไม่เคยใส่บาตรไม่เคยอะไรเพราะว่าที่บ้านเป็นคนกรีนนะคะอาจารย์<ๆ>เรื่องตอนนี้มันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะในจิตใ น, ในใจของแต่ละคนนี่ มันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนถูกมีอะไรปลูกไว้ในนั้นแล้วมันก็ตางคนต่างทํา ม, มาไม่เหมือนกันความคิดความรู้สึกนิสัยต่อเสิ่งต่างๆนี่ไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันของเรามันมาที่ได้เนี่ยเรก็ไม่เคยคิดว่าจะมาบวชเป็ น, นที่บ้านก็ไม่ได้ทาบุญใส่บางรที่บ้านไมเป็นคนจีนแล้วก็ไม่ไม่เคยเข้าวัดเท่าว่าแต่ก็พ่อก็เป็นคนใจบุญอยู่นะ ทำมีพระผ่านาถ้าแกก็จะชอบใส่บาตรหรือถ้าใครมีขอทาน ม, มีใครเดือดร้อนแกก็จะช่วยเห็นไหมก็เห็นเรื่องของการทานมานตั้งแต่เล็กแกเป็นคนแต่สำหรับเราเองก็ก็ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบช่วยเหลือคนใครเดือดร้อนอแล้วก็ไม่ชอบเดืยดเดียนพูดไม่ชอบรังแกพูด ยิงนกตกปลาไม่เคยยิงลงตกปลาไม่ชอบเล ย, ยเพื่อนเขาชวนไปยิงนกตกปลาไม่เอาอมไม่เก็ไปแล้วนะเสร็จวันนี้ก็พอสมโกนแตเวลาเพราใจครับที่พระอาจารย์บอกว่าตอนปฏิบัติแบบไปแต่ละขัน้นแต่ละขั้นนะคะ การผ่านแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยก็อาจารย์ต้องเหมือนกับไปคอนเฟิร์มกับครูบาอาจารย์ใช่ต้องเหรอผ่านยังก็รู้ว่าผ่านแล้วท่านท่านก็จะรู้ว่าพระอาจารย์ผ่านท่านก็ดูออกท่านก็ดูออกดูกิจกิาการบางทีท่านข่มขู่เราแล้ ว, ลวดูเราเป็นยังไง ดุข้างนอกหรืดุข้างในเจ้าคะข้างในมันก็ออกมาข้างนอกมันจะบอกมันจะแสดงออกมาถ้าไม่มีอาการแสดงก็แสดงว่าข้างในมันแน่นถ้าข้างในมันหัวมันก็มันก็แสดงออกมาทางข้างนอกนท่านดูอาการนิ่งของใจเป็นหลักถ้าใจนิ่งมันแสดงว่ามีธรรมถ้าใจไม่นิ่งออกมาเดี๋ยเขามันก็แสดงออกมาทางกายวาจาง มีหน้าการพูดการกระทํานี่มันจะมันจะบอกเพราะร่างกายมันเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจไม่สั่งแล้วร่างกายไม่กระดิกถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิดกขนาะนะ พอาสงวนแต่เวลานี้สองน้องเคยเออลางังสายหรอ <c oughs> <c oughs>